สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันจันทร์นี่คือเสียงจากศิษิเชิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีตพระเยซูตอนที่ห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องครับการที่พระเยซูเป็นก็มีความตายนั้นทําให้คริสเตียนมีหลักการในการดําเนินชีวิตมีหลักความเชื่อหลักคําสอนและเป็นหลักการพื้นฐานที่สุดที่จําเป็นและสําคัญที่สุด ในการที่เราจะวางใจพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่เราจะรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและหลักความเชื่อนี้นะครับหรือหลักคําสอนนี้เป็นหลักการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าถ้าหากว่าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายจริงทุกสิ่งทุกอย่างเลิกเชื่อครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูว่ามีคนที่ไม่เป็นคริสเตียนและเขาต้องการพยายามล้มล้าง เขาเอาทฤษฎีหรือความเห็นต่างๆอะไรบ้างที่บอกว่าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นเหนความตายเพื่อลบร้างการเป็นขึ้นเนความตายของพระเยซูในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงความคิดแรกหรือข้อเสนอแรกที่คนไม่เชื่อพระเยซูและไม่เชื่อการเป็นขึ้นเนความตายของพระเยซูนั้น <c oughs> เขาพูดอย่างไรบ้างนะครับเราใช้คําว่าทฤษฎีก็แล้วกันนะครับทฤษฎีที่ว่าพระเยซู เป็นอย่างงาน้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตายจริงหรืออะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับทฤษฎีแรกครับเรียกว่าทฤษฎีโซวน S W O O N ครับโวน S W O N ทฤษฎีก็คือทฤษฎีที่ว่าพระเยซูสลบไปความคิดของเขานะครับก็คือเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูทรสงสิ้นพระชนจริงๆพระเยซูแค่สลบไปครับพระคิด ไม่ได้ส่งสิ้นประชนจริงๆบนแมง เ, เขนเพียงแค่สลบทรึง เ, เองพี่น้องครับความคิดนี้เกิดจากทฤษฎีโดยตั้งโดยคนที่ชื่อว่าเวนทูรินีนะครับราวสองศตรวรรษมาแล้วและกลุ่มมุสลิมเรียกว่ากลุ่มอามาดยาได้รื้อฟื้นทฤษฎีนี้ขึ้นมาใหม่พี่น้องครับ กลุ่มนี้มีสำนัก ง, ง, งานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอนคำอธิบายของเขาก็คือพระเยซูถูกตึงบนกางเขนจริงและพระเยซูทรงทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสเกิดการเสียเลือดเกิดความเจ็บปวดแต่พระเยซูสลบไปครับไม่ได้ตายนะครับและการพักผ่อนในอุโมงค์เย็นๆก็ทำให้พระองค์ฟื้นขึ้นมาและออกมาจากอุโมงค์ได้ในที่สุดพวกสาวกไม่รู้ไม่ไม่รู้เรื่องราว นะครับก็คิดว่านี่เป็นเพียงการฟื้นขึ้นมาจากอาการสลบพี่น้องครับประเด็นก็คือพระเยซูตายจริงหรือเปล่าต้องถามนายร้อยต้องถามโยเซฟชาวนิมาดเทียและต้องถามนิโคเดมัสครับถ้าเราดูว่านายร้อยโยเซฟนแล้วก็นิโคเดมัสถูกหรอกก็คือพระเยซู สลบไปทานเองเวลาที่เขาเชิญพระศพพระเยซูลงมาจากไม้หนึ่งเคนเขาคงจะเจอกับพระเยซูที่สลบไปยังหายใจยอยู่ครับแต่ทั้งสามท่านก็คือในร้อยโยเซฟและนิโคเดมัสก็รู้ว่าพระเยซูส่งเส้นประชนจริงจงพี่น้องครับ เยซูถูกจึงมาแแ่งเขียนถูกทรมานอย่าง ส, ส, สยดสยองถึงหกชั่วโมงกระหายน้ำอ่อนเพลียหมดกำลังฐานลมก็ใช้ทวนหรือใช้หอกแทงทะลุที่บริเวณเหัวใจนะครับสีข้างของพระองค์และพระองค์ถูกฝังไว้ในอุโมงค์สองคืนกับหนึ่งวันเต็มเต็มโดยไม่มีอาหารมมีน้ำไม่มีคนช่วยพยาบาลและ ในวันที่สามพระเยซูจะเป็นขึ้นมาแบบฟื้นขึ้นมาสมมุติฐานนี้ไม่อาจทนต่อการตรวจสอบได้ครับนะครับพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าพระเยซูนะครับฟื้นขึ้นมาฟื้นจากศปก็เท่ากับไม่ได้สิ้นพระชนก จ, จ, จ, จริงๆนะฮะหรืออีกในหนึ่งก็คือถ้าพระองค์สิ้นพระชนก จ, จ, จริงๆพระองค์ก็ คงจะไม่อาจฟื้นขึ้นมาได้ถ้าไม่ใช่เป็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าพระเยซูรอดจากอาการปางตายได้อย่างไรไม่มีความอบอุ่นในอุโมงไม่มีอาหารไม่มีน้ำเกลือไม่มีการดูแลพยาบาล น, นะครับนานถึงสามสิบหกชั่วโมง นะแล้วแถมยังสามารถรวบรวมกำลังมากพอที่จะกระทำสิ่งที่เหนือมนุษย์ทำก็คือกลิ้งก้อนหินใหญ่ซึ่งปากติดปากโองโมงได้โดยที่ทหารโรมันไม่รู้เลยนะครับ ท, ทั้งที่อ่อนแอเจ็บป่วยหิวโหวยพระเยซูยังปรากฏกษสาวกในลักษณะที่ว่าให้สาวกประทับใจครับว่าพระเยซูเป็นเหนือความตายนะครับมีชัยชนะเหนือความตายนะยิ่งไปกว่า น, นั้น พระเยซูยังอ้างต่อไปว่าทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นที่มีความตายก็แสงพระเยซูกโกหกสิครับนะครับแล้วก็หลายๆครั้งทีเดียวพระองค์ปรากฏพระองค์ให้ผู้คนประหลัดใจเป็นครั้งเป็นคราวและที่สุดก็หายไปโดยไม่รู้สาเหตุเป็นอยงั้นเลยครับพี่น้องครับถ้าสาวกของพระเยซูไม่ได้เห็นพระองค์ในลักษณะแบบนี้นะครับเขา แบบคนที่ฟื้นขึ้นมาจากสลบประเด็นที่สำคัญนี่อยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าพระเยซูฟื้นจากสลบพระเยซูก็คงจะปางตายครับพระเยซูต้องอยู่ในสภาพผู้ป่วยพักฟื้นแต่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายมีชัยชนะเหนือความตายนะครับพระองค์อยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ด้วยพละงกำลังและสุขภาพที่ดีนะ สำหรับพวกสาวกนะครับความท้อแท้กลายเป็นความสิ้นการกลายเป็นความหวังความสิ้นหวังกลายเป็นความรู้สึกสมหวังมีชัยนะฮะมีความชื่นชมอินดีความหดหู่สิ้นเลี้ยวสิ้นแรงกลยงายเป็นการการ อ, อบุกบั่นกาลังใจที่มาแบบเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลที่ว่าพระเยซูไม่ได้ฟื้นจากสลบนะครับแต่ถ้าพระเยซู ฟ้นจพนะครับพระเยซูก็คงจะต้องทำสิ่งที่ยากมากเลยก็คือต้องบิดตัวออกมาจากผ้าพันประสบที่พันแน่นครับแต่ในพระคัมภีร์และผู้ที่มีความเขี่ยวชาญเรื่องนี้ข้อธิบายว่าพระกายของพระเยซูนั้นก็คือประกอบไปด้วยเนื้อและกระดูกตอนที่สิ้นพระชนอยู่ผ้าพันพระศพ ก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมหมายความว่าเท้าคงของพระกายก็คือเนื้อและกระดูกหายไปหมดครับนั่นแปลว่าพระเยซูนั้นก็เหมือนกับอันตาทานออกจากภาพันพระศพของพระองค์นะครับถามว่าในสภาพที่อ่อนแอจะมีความสามารถถ้าหากว่าฟื้นจากลบจะมีความสามารถที่จะ กลิ้งตัวเองแล้วก็ถอดตัวเองออกจากผ้าผันปศพไหมนะครับแล้วก็กลิ้งก้อนหินที่เปาอุโมงได้ยังไงนะครับแล้วก็ถ้าพระเยซูฟื้นจากศพการเดินทางไกลไปเอเมอูสเนี่ยห่างกันนั่งเจ็ดไมล์หรือสิบเอ็ดกิโลจะทําได้ยังไงขณะที่เท้าของพระองค์นั้นถูกตะปูตอกจะเดินไปได้ยังไง ถึง11กิโลเมตรนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าพระเยซูไม่ได้สลบครับพระเยซูตายจริงๆและถ้าสมมติว่าพระเยซูสลบนะครับและเป็นขึ้นมานะครับฟื้นขึ้นมาจากสลบถามว่า เปียสุตายอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ครับไม่มีการบันทึกถึงการตายของพระองค์อีกครั้งหนึง่งแล้วพระองค์อยู่เฉยๆได้ยังไงครับขณะที่ลูกศิษย์ลูกหาสาวกของพระองค์ตั้งทิดจักและถูกกลมเหงเปียสุไปไหนครับพระภีมบอกชัดเจนเปเยซูทรงเสด็จขึ้นหลังจากสี่สิบวันที่เปียสุเป็นที่มีความตายนั่นแหละครับคือความจริงพี่น้องครับขอให้เรามั่นใจในความจริงที่เรา ถูกสอนในพระคัมภีร์นะครับในพระคัมภีร์เขียนอย่างไรนั่นคือความจริงให้เรารู้ว่าความจริงนี้จะทําให้เราทั้งหลายมีชัยชนะเหมือนกับที่พระเยซูทรงมีชัยชนะและในขณะเดียวกันเรารู้ว่าพระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือความตายวันหนึ่งเราจะมีชัยชนะเหนือความตายเช่นเดียวกันขอให้เราเดําเนินชีวิตยอย่างมีชัยชนะในทุกๆวันที่พระเยซู ได้เป็นคณิความตายพี่เยซูทรงอยู่กับเราพี่เยซูทรงสามารถตอบคำอธิษฐานของเราได้พี่เยซูมีความสัมพันธ์กับเราเป็นการส่วนตัวได้เวลาที่เราท้อแท้ใจเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เราอยากปรึกษาพระองค์พระองค์ทร ง, ทรงอยู่ที่นั่นนะครับในห้องชั้นบนอยู่ที่นั่นในวอร์รูมที่เราจะอธิษฐานต่อพระองค์ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ เราทั้งหลายได้รับพะคุณจากพระเจ้าก็คือเรามีพระเจ้าผู้ส่งพระชนอยู่อเมน